บริโภคที่ยงคือชอบเป็นคนที่ชอบเหตุสุดท้ายคือชอบแต่ผลไม่ชอบเืตุแค่คำสองคำนีมันก็ขัดกันกันมันขัดกันอชอบแต่ผลไม่ชอบเือไม่ชอบทําหตแต่ชอบคน เน้นเราไม่ชอบทําผิดเน้นเรไม่ได้ทํำผิดแล้วผลจะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นยังไงพูดถึงว่าบริโภคชอบแต่บริโภคไม่ชอบทําชอบแต่ใช้แต่สอนแต่ไม่ชอบข่ามีความชอบสะดวกสบายจะไม่ได้ทำให้เกิดผลว่าสิ่งที่มาเกี่ยวข้องคืออะไรบ้างเป็นอะไรบ้าง มี ค, ความต้องการของมนุษย์ของทุกครู่ทุกหน้ามีความต้องการอย่างนี้และตรงมันข้ามกับหลักคำสอนของพุกทุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าต้องมีเหตุถึงจะมีผลเพราะทำทั้งหลายนั้นเกิดแต่เหตุ เป็นธรรมดาความดับเป็นธรรมดาธรรมะที่เกิดกับดับต่าง้คือเกิดแต่เหแลวก็ดับเพราะเหตุเหตุก็คือสมุทัยเียแล้เกิดทุกข์ความทุกข์เกิดขึ้นจากเหตุและความทุกข์ทั้งหลายที่โง่ต่างๆนี้ดับได้เพราะเหตุหรือ่าเหตุทั้งหลายที่โง่เกิดแต่เหตุ ที่จะรีกว่าสมทัยจเห็น้เกิดทุกข์ดับก็คือดับสทัยจะเห็นเกิดทุกข์คือดับี่เลสกิเลสจเห็นได้เกิดทุกข์ความทุกข์ทั้งหลายท้วงทั้งตวมันจะดับได้ก็ตพรงดับเองคือดับสมุทยที่ดับเหตุต้นตอแห่งกองทุกข์คือหลับความนีอยู่นี้เป็นอยู่อย่างนี้ถ้าหากเราจิ้มไหลคำเหต เกาะบนกำแพงอยู่แล้วพวกเราต้องงมเลยจิ๊งงมงมสาวหาแส้หางมงมคำว่างมก็คืองมหางมส่งส่มเอาเดาเอาไาดเอาเดาเอาซึ่งเป็นเรื่องของเรศที่มันถนัดอยู่แล้วสัญญาน ยาที่มีภาระสิ่เด า, าดเอาค่าเอางมเอานี่คื อ, อคือทึ้งหลักคือิ้งหลักองเหตกับผลนถ้าเราเจับหลังนี้ได้เราพ่สูจน์ข้อพิสูจน์ไม่ยนกอะไรเป็นขินทัางหลายที่มีเพียงสุดความสุทั้หลาที่ผมเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาจ ความทุกข์ทั้งหลายที่หวงเกลื่อขึ้นก็ขึ้นมาจากเราต้องการความสุขเขาก็เล่ไปที่ความสุขอะไรที่เห็นเห็นความสุกขที่แท้จริงเาเล่นกับใคร <ligne. S 2> มันก็ว่าเราต้องการความสะอาดต้องการความบริสุทธิ์เราก็ทารักให้สะอาดทำรักบริสุทธิ์ทำรักเป็นวิธี์ไปรักบริสุทธินไปรักบริสุิ์ไป ไม่มีอะไกล่าวเรื่อที่ไม่จไปทำไปอย่างตรงเป้าตรงเหตุตรงผลที่แท่จิเพราะฉะนั้นในหลักของศาสนาพุโธไฟที่ไม่ใช่หลักของศาสนาทธจึเป็นจึเป็นการถี่ไปเผยมาเผยมาดูไฟที่เรียกว่าิวเผยผิวเผยอ่มันจะแก้อที่แท้จริงในนิสสุก็ในนิสสุว่าศรัทธาในนิสุว่าศรัทธาที่ชื่อ ามาเชื่ออรทีนี้ไม่ใช่ให้เชื่อเพื่อเห็นผลเป็นการให้เชื่อตามคาบอกเชื่อตามคาบอกเล่าตองเชื่อนี้นะนี่เป็นนี้เป็นนี้เป็นนีีความเชื่อซึ่งตรงคัามัดข้างกับซึ่งตรงกัดข้ามกับศรัทธาของพทธศาสนาของาศรัทธาวิริเกตรสมาธิปัญญามันเป็นหลักของ าจากพวกเราไปโดยที่เขาไม่จะเห็นผลส่วนต่อการแก้ทุกที่แท้จิงถึงหลักถึงขั้นลึกลงไปถึงขัข้นลึกลงมุถึงขนลกลงมาถึงข คุณก้มา วที่คุณคือันดกาเป็นที่หนึ่งวันที่คุณปัญญาคนก็คือสวัวดิ์ตนธรมาที่รู้จิตเจ้าตรงประเด็นอไปหน่เป็นหลักความดีทั้งหมดสวัสดิ์ตนทำเป็นหลักเม่องรคุะนก้าวประทับคุณห้าหกประทัคุณเก้าไม่ได้ ทงตงเไว้คนท from from heights, whole, hostel, นั้งหลายต้อสโผทางตไว้น่อแต่จริงที่เรานามาศึามาพิจารณามาค้นควาให้เกิดความช่วยเกิดความดุาเชื่อว่ายมยอมเกิดความเชื่อว่าเอาวมฉุนวามชื่นแทนริสมชได้ด้วยถ้าใยาที่คุณ ก็คือเป็นการสั่งการพรถศสนาให้บ่อยุทธิให้บริบูร์มีทิูตทิศสุริยมรรตบูรพิกรเต็มไหมดจนศนาาจองเป็นจุดแแน่นนามากทีที่คนที่ได้ที่คนที่ตามมาที่คือมหากรุณาคุณตอนเลิกถึงนี้ทำงานเอาโระครัเคือความเชื่อใสการโตรควุก์ปดยที่สุขพวกเขายังเป็นแม่ในของ เราอยากพ้นจากทุกเหมือนโรกเมื่อเราอยากพ้นจักความพกขอาศัความเดิมใลายทาที่เราพิจารณาเขียนแล้วนีก็เปลี่ยนได้เรามีความภาคภูมิใจอยากได้อยากมี่ยากมีอเป็นเหมือนโกอยากมางสุดมักจะเกิดธนาธรรมเหมือนพระบกรกทำให้เรากิดความหาภ ขลางแมันจะไม่มีอะไรเป็นกำลังใจมันจะไม่มีอะไรในกลังใจหากดูกะดูสักวว่าดูลอยๆฟัง้าสัตว์ฟังลอยๆทำเหมือนท่านก็ตามนั่งท้องนานี่งๆลอยเดินก็นิ่ง ยังเพ่งท่าละละเอียดหล่อขึ้นไปอาเละเอียดหลอขึ้นขั้นสิ่งที่นำประกอบกับอารมณ์ข้างหนที่สุดสีว่อารมณกรรมชาเราก็สามารถจะมีสติมุ่งเปอามากำกับคิดอะไรได้โดยลเอียด มุมไทยก็เป็นด้งหมดสัหาอาสวะเกิดกาหาอาสวะวิชาอะไรกแล้แต่เป็นรื่อเดทั้มดี่มีกรที่องท่ยต่ายด้เกิดทุกขุก็คือ แมอวตามหลักที่กู้ที่เเป็นส่งให้แก่ก็ตรงแม้วตามหลักของทีลของผลเมื่อเราทราบหลักเหตุผลอันนี้แล้วเราก็กระายออกไปทั้งนอกทุกิทีอย่างเพื่อเพื่อเพื่จเพื่อผลนั้นที่นีัไม่มีอะไรเป็นเชื่อมั่นเหมือนอย่างฝนตเออเี่ยพายุเอเนี่ยพาแรกสเนี่ยพายร้องเนี่ยพาถ่ายเนี่ย เราไม่ว่าจะอยู่บรรดาที่ไหนมีมีมัน เ, เกิดขนากจากผล้อ ง, บบนนอ ง, ลงทลายรราตทั้งนั้นความสุกความทุกข์ของคนมันเชื่อมียงกันเวลาเวลาเราได้รัความทุกขึ้นมาเราเขามา น, นึกถึงสิ่งที่เรามองอ่า น, น, นจะทำอันนี้จะทําีนี้จะทำไปเหตุจะทำอะไรจะทำสรระพัึดครามทีนแล้ว ตกจะตาไมีครองไม่ดมัร <ime> ู้อะไรคือจะตาเม่อะไรอบไม่ดีเมื่อเราไล่กรมลักทา่พุทธเจ้าทรงทรงสอนิงในะครับมีแต่เรื่องลองกรรมการกรมคือการลงลงมือทำเหตุอกอย่างนนั่นคือประกอบกรรมนเทธแหความโศผลก็ทําได้รับความโศกเทธหความทุกผลกต้องดทํา ความม่ไดรับกาศหนาวเราก็ได้รับอากาศร้อนไ่ไ้รับความหนาวเมื่ออากาศร้อนทากาศก็ไปรับความ้อนความรู้ไป็นที่ที่ก็เป็นด้เราในเขือนดานเหนือร้อนกันเห็นท so, ี่ที่ที่มีที่งานที่ถูกที่ชอบก็ได้กัาให้ได้รับความเพลิดเิ เจอหูเจอกาเจอใจมันมาจากไนมาจากไหนมนั้นเพราะนันเราิจาราหลักเหตุกับผนี่ตามหลักของภูติเจาพระจงสอนเหมือนเราเป็นการปลุกเร้าให้กับเราปลทางเลยพวกเราเองทำให้เราแจกหลักหน้าสี่คือคือสมุทยทัเชรทุกสิ ทุก็นทุกภษาไต่ไทุกสิ่งทุกมุมทุกสัยทั้งหมดั้งสิ้นทั้สิ้นอญาสายถ้าเราประกอบทำมาไปงล้วจนให้เราได้ได้สำคันนั้ น, นขนั้นนี้ตำหนักของอาญาสายเาเรียกว่าอาญาสายข้าพมณิยัสสายในขะที่เราที่เปนนยยังไม่ได้มั่ไใจตัว น, น, กก น, าานี้เขาเรียกว่าสัจจ์ที่เรียกามนักของสัจจ ที่ละนำมาทำงานและจัดเพราะเวลาได้ประสบผลขึ้นมาจะเป็นว่าอันยังมักอันยังผลสมุทัยที่โรยมที่โรยหมายถึงความทุกข์ทุกข์สมทุทัทยสมุทัยเป็น่งทุกข์เป็นผลดับสมุทัยเป็นดีดับสมุทัยเป็น่ง ดับสุไทยเป็นเหตุมิรู้คือความดับคือความดับทุกข์ น, นีก็เป็นผล mm hmm. การประกอมมัดการประกอบมัดเป็นลายปกอบเหตุเพเราลาดับเกิได้แล้วก็เป็นผลเป็นมิรูเป็นมรู้มเหียก็ผลเหสองผลสองหลักของอะรก็าสามสี่เราพิจราราดูเราอากมาพิจรารณาดูมาคลีค่คลายู แทนุเหนึ่งก็คือสมุทยเนีกย่านึ่ก็คือมักมัดก็คือเราจะมีมากก็คือวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติคือวิธีการมต่อกรกันกลับที่เดิมก็มาสมาธิสมาธิก็มาติดทำให้การัเข้ามาเกิดกัรพิจารณาให้จิได้รับความสงบการที่เราเานาให้จิตไน้รับความสงบมันก็เป็น เขาบอกว่าพี่ก็คงจะไปได้สิไกับอารมณ์นทรีย์เมื่อสิจุกับอารมณ์นีย์จิตก็ริ่ดวามสูงอยู่กับอารมณ์อนียเขาย่งติดอยู่กับอารมณ์นันนั้นอยู่แล้วต้องกลับไปเลยต้อ่กับรมเลยต้องกลับไปเลยจิตอยู่กับอารมณ์นี ในไม่ติดอยู่กับอามามันวความคือต่างของเกลียที่มันมีอยู่ภายในที่มันมีกำลังอยู่ตงไหนมันก็แสดงออกมาได้ปกติมันจะเป็นคิดรักคิดชางคิดโลกคลิดโกรธคิดออกนอกรูนอกทางอะไรอย่า ง, งมันก็คิดไปได้เนื่องจาว่าเราบังคับให้มันอยู่กับอารมณ์มันเอิดก็ได้รับความตมิดอยู่กับอารมณ์มันเองสิงที่บังคับให้เขาอยู่ได้คือสติก็บสมาธิได้ สิ่งที่เป็นอารมก็คือคําิจกรรมขุทโธขุทโธขุทโธขุทโธอีกทีคำวิจกรรควิกรรมก็คือเอาติดเอาผู้รู้เนี่ยมาทำจิตขุทโธขุทโธขุทโธขุทโธมาทตหรือมาเนมาคิที่มาขทโธแล้วก็ว่าไปประอไป้ว่ามรู้สกตัวโยกเื่อนตอกตัวอีกทีทจิตให้ได้รับความสงบ เนี่นะเราจะเลาจะเริเว่าวิธีการต่อกรตัดเรือเร่มไปตั้งแต่การำทำจิตให้ดรับความสงบมันอยู่ในว ง, งของะระกอบในรัชกาลที่ทุกสมุทัยที่รอมานีนมันเรื่มต่ อ, อ, ก, อก ร, รกอืันแล้วเริต่อกรตั้งแต่กัรเรื่องทําำจิตให้้รับความสงบเพราะฉะนั้นถ้าหาเรามองเห็นเหตุเห็นผลอันนี้แล้วเรามีจิตใจที่เรา จะตั้งใจทำให้สิตเราความสงบเนื่องจากว่า น, นี่เป็นกระแสลงที่เราสามารถถนาดับจิตไม่ให้มันแสดงออกได้เป็นการเป็นคราวในระหว่างที่เราเมีความ่งบจของเราเปความสกมันจะมีอยู่กับอารมณได้คำวิจาณมีจิตกากับอยู่ มันมันจะเชื่อมมันจะชินมันจะอิ่มมันเพราะว่าเราอัดเข้าไปอัดเข้าไปอัดเข้าไปอักเข้าไปมันก็เชื่องมันก็เชื่อมกับอารมณ์อารมณ์ที่เราจับให้เขอยู่มันก็อยู่กับอารมณ์มันเดียวในเมื่อเขาอยู่กับอารมณ์มันเดียวความอิ่มด้วยติตความอิ่มด้วยสังขัญญาความอิ่มด้วยอารมณ์ที่เราจับให้เขาไว้กัมนั่นก็เรื่องของความอิ่ ถึงแม้ว่าเราไม่บริกรรมเขาก็สงบเขาก็สมบในร้ดับความสงที่เรียกว่าทิ้งําบริกรรมจิตรับความสงบจนสามารถทิ้งําบริกรรมได้ทิ้งําบริกรรมได้เย่ก็ไม่สามารถจะมาแทะที่ิตแสดงโดดวิ่อย่างนั้นอย่งที่จิดเ้าได้เนื่องจากว่าเนื่องจากว่าเขากินกินด้วยสร็สิ้กินด้วยสังเว้ จิตกำกับ้ำให้แขนใหญ่กำกับกระกอบกับมีความอิ่มเบื่อที่เรียกว่ามีสติกำกับเข้ามันได้รับความสงบได้รับความสุขได้รับความแช่งชื่นได้รับความเบิกบานได้รับความอัดแน่นที่เรียกว่าต้าหมันไว้ในสติได้รับความสงบสติสงบนั่นแปลว่าเกลียดไม่แสดงตัวไม่ได้ มันแสดงตัวแห่จิตก็ได้รับความสงบเมื่อได้รับความสงบก็เป็นสัวของตัวจิตเป็นตัวของตัวไม่ถูกทุกสิ่งก็เลยถ้าไม่เป็นตัวของตัวแล้วเป็นไงแล้วเกเรกหลาบไปแล้วลาบมันจะตระนี่ลาบแล้วลูกไปเจอราคะลาบแลไปเจอโทสะลาบแลู้กไปเจอโมหะอิจฉาทิฏยาทิยาบัได้ราบจากความเร่าร้อน กินไปประสบสกิมสกสาเหานั้นแหละน่นแหละคี่ไปะสบทุกเรื่ยงความทุกประพฤติที่ได้น่ะมันไปะสมกับสิ่หเหล่านี้นอ่าใรับความทุกข์เข้ามานมันก็ไายืดหัวไปหัวยืดหัวไปโลเปิมหัวแตกเลือดเลือดประมาแล้วยืดมือไปแล้วโตไปเลือดขาดติดมือขาดเลือดเยื้อเข้ามา ยื่นอะไรอันนั้นไปโดกี่เดือนมันการันีออกขาัแนัเนื้แตกกลับมาเป็นถามหนาี่ือคือความทุกข์ยื่นไปก็ไเกี่ยวกับทุกข์ยื่นไปกไปเกียวกัทุกข์เพราะฉะนั้นเราให้เขอยู่กับเราเนดเขาก็องมีความสุขต้งมีความสุขไม่ได้รับไม่ได้รับความสุขไม่ได้รับความสุขไม่ได้รับความสุขมันจะได้รับความสุขเลย เพ ร, ะระาะความสุขเรื่องตัวมันเองมันก็เป็นสิแพร่จกจายไ้นันเอมันเป็นรสชาติที่บริสุทที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งในตารเราองนะที่เหมือนันเหมือนกับเรามความสุขครับอาหารก็เรีเบร้อยอาหารก็มันเราเราก็พูดเลย ว, ว่อาอร่อแต่แต่นี้มันเป็นอารมณ์ที่ทาให้ออกดีทําให้เราพอใจคือความสุ เนียส่งสม่งที่ีราอามารมองไเราไยุ่กับความรู้สที่คือความเส้นที่เราต่อสู้กับเแตขั้นนี้คือความอึ้งที่มัไปหดครั้้าไปหั้งนงมดมนก็้ตมาทีมนใจที่เรียกว่าจิตมันตัมันที่ความอิจฉาหนที่ติแก่กล้าสติแก่กล้า ถ้ันธะแน่นหนามั่นองอเนี่ยจะนเกิดปัญญาขึ้นมาไเกิดความรู้ได้ตั้างอยู่ในตัวได้ จ, จะขยายไปยังไงก็เป็นตัวของตัวนึกคิเพ่งแพร่เปลี่ยนแปลงเพื่อทียะสอบหาคนเท้าบาษาวิธีคือหาหัวใจที่ ย, เ, ยเป็นหัว เปลี่ยนแปลงท้องถินรากเหง้าต้นตอที่มันมายุเยให้เราก่อให้เราติดให้เราเจ็บเราผีดเราต้อโอกาสที่จะพิจารณาเป็นตัวของตัวมีกำลังในการพิจารณาได้การพิจารณาเท่าไรทั้งผัวมีก็คือพิจารณาที่จะให้รู้หลักความจริงที่สุดที่ไม่ได้ว่าจะจะจะทำอย่างนจะจะทำของก้าวจะจะทำของผิด จะจะทำของกายเป็นอรมันท้าทายให้เราขม ค, ควัญจะก จ, จะทําำของจิตคืออะไรเป็นใหไ่เขาเป็นเหตุเป็นเหตุให้เราสนใจคิดนานคคลายที่มัเป็น <c oughs> เหตทาทายนี้นก็จะจะทำถ้าจิตไม่สงบจจะทำไม่ปารการกฏถ้าจิตเริ่มสนบกะจะทกา ก, า ก, า ก, ากา็จะปรากฏ ทีนะจะน้าเพื่อให้รู้รอบร้ศัจธรรมเนี่ยอืมทีจะน้าเห็นอ น, นิจจังทุกขันักตักเพราะอันนี้เป็นเป็นภาวะของของรูปธรรมเป็นภาวะของนามธรรมที่มันมีนเงื่ยนไขเราเจาอันนี้ขึ้นมาพีจะน้าที่จนะน้าเพื่อให้เห็นเห็นอ น, นิจจังทุกขั น, น, นักตัก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 มันก็ไม่ยมันก็ไม่ถือมันก็เหนเป็นอื่นิมันก็ถอนออกมามันไม่ผูกมันไม่พันมันก็เร้าปล่อยมันก็เร้าบาปมาันก็เริ่เนเป็นอื่นไปเห็นเป็นอะไรเห็นเป็นสภาวะของรูปเห็นเป็นดินเห็นเป็นน้ำเห็นเป็นนมเห็นเป็นไบเห็นเป็นอาการ เป็นคนผมเป็นและเป็นปันเป็นน้ำเค็มเป็นอาการแยกเป็นระยัดเป็นระยัดรวมไปถึงมองทะลุไปถึงเหตุของมันไปถึงปัจจัยของมันปัจจัยของโลกเป็นไปัจจัยของนามเป็นยังไงมองเห็นสิ่งเ่านี้มีอยู่ด้วยปัจจัยด้วยเหตุด้วยปัจจัยเป็นอยู่ด้วยเหตุด้วยปัจจัยเกาะผูกกันด้วยเหตุด้วยปัจจัย ม, grand, มีความ annual, มีความเป็นอยู่มีความเป็นไปด้วยเหตุด้วยปัจจัยเราดูเราดูแล้วเราเห็นความจริงเขาไหมความจริงเขางหมนี่แหละคือแจกความเป็นอยู่เขาไหมเมื่อก่อนเราไม่เคยดูเราไม่ยกดมันแล้วก็ลุ่มหลงมันความสำคัญมันหมายว่าเป็นตัวเป็นตนอย่างแท้จริงแล้วก็สำคัญเป็นแปรไปทั้งหมดเป็นดุลเป็นแผ่นเป็นก้อนคือเราทั้งหมด คือรูปกับธรรมก็นามกันหมดเป็นคนเดียวกันหมดคำว่าเราเราเราคือมุนกลายเป็นเนื้อเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันหมดแต่ถ้าเราเรา่มรู้เริ่มใจด้วยจิตอย่างนี้เข้าไปแล้วเราใจเห็นม่ารูปก็เป็นรูปนามก็เป็นนามคือกายก็เป็นกายจิตก็เป็นจิตจิตก็เป็นรรมาต้องเป็นตัวเดียวกันต้องความเสเราก็ต้รู้แล้วว่ารูปก็เป็นรูปนามก็เป็นนาม จิกายก็เป็นกายจิตก็เป็นจิตเวลาเราทําความรู้สึกที่กายเราก็รู้ว่ากายกายก็กายก็คือจิตกายจิตพูดนะครับความรู้คือผู้รู้ก็คือจิตมันรู้ว่ากายก็คือส่วนกายความรู้สึกกับปัจจัเกี่ยวข้องกันรูประหว่างรูปกับนามโดยเหที่เราเกี่ยวข้องกันเราก็ทํารู้รับทราบ แต่มันเป็นคนลอ่างกันคนลย่กันเรื่องเร่องเรืรูปเรื่องนามนามก็คือใจเราพิจารณาหรือว่าเราพิจารณาอย่างนี้รูปอยู่อย่างนี้แล้วแต่ความยึดความผูกด้วยใจหนาด้วปราถานตามหน้าของจิตมันก็ค่อยยุบยุบยุบไปยอดไปหา้ไปสลายไปเรื่องที่ว่าเรามารูที่มาเข้าใจมันหื่อเราดูเราสิเราเข้าใจ ความที่เราเคยเคยรุหลงเคยชิดเคยติดเอะไรกัมันก็คลี่คายตื่นจาอกไปของมันโดยอัตโนมัตเพราะฉะนั้นถ้าจิตให้ความาถ้าจิให้ศีกษาถ้าจิให้พิจารณาถ้าเราไม่พิจารณาเราหลนีลกายลกายรางหลกายขาลงว่าเป็นตัวว่าเป็นส่วนว่าเป็นแล้วไปยดถด้วยทิสดด้วยมานะด้วยอะไรันเราจะเห็นว่า ความเป็นอยู่ของคนทั้งหลายที่งวนโลกที่เขาไม่ได้ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังแล้วก็ไม่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้พิจารณาให้เกิดความรู้ให้เกิดความเให้เกิดความเข้าใจงนี้มีจะเรื่องที่ดีดี่แมัน่ยมีจะเรื่องแย่มีจะเรื่องเอาเปรียบเียปรียบได้เปียบมีจะเรื่องเล่นแหน่เลนนอนมีเรื่อง่นงงเล่นโง่มีจะเรื่องมอง มองกันก็จะเอากล้เอาบบปเอาปรีกันอะไรก็่เคยนี่ก็คือก็คือะไรก็คือความรุ่งของนันรุ่งของแบบเป็นเราว่าเป็นของของเราแล้วมีความมุ่ม่ความถี่แล้วมีควา ม, วามเห็นแต่ตัวแล้วก็เห็นแต่ตัวแจกถึงขั้นผิดกันกาคิดกันหมดแส่กันจนทะเลาะกันจนฆ่ากันจนจนฆ่ากังนง่าแต่กันายฆ่ากังนงา ถ้ากแทนกันได้ถึงไหนก็ถึงกันนี่ด้วยกันยึดถือด้วยทิฏฐิมาด้วยัไนะยไม่เห็นว่าใจก็คือใาใจก็คือใจต่ของเราไม่มีใคร เ, ย, เรครยู่แต่ใจเรามีคนอยู่ถ้าเราไม่เล่นมาพิจารณาเรื่นนะอง ใ, ใจให้เกิดความรู้สึกเราก็จะเราร่วมเพื่อเราเร่วมมันก็เป็นก้อนเป็นแท้เป็นดินดียวกันก็ต่างคนต่างมีทิฏฐิมันนะต้องหา โลกท ja, ุกอย yes ่างนี้หาความสุขหาความสุขหาอะไรไม่ได้ตัวขึ้นอย่างที่มนุษย์ทั้งหลายไดแต่ทั้ใหลยไ่ได้ศึกษาไม่ได้พิจารณาเลยกไม่เห็ไม่ค่อยใจตรงนี้ม่งไปไม่เห็นไม่ค่อยใจตรงนี้ว่าทำอะไรทุกอย่างทางอำนาจของเจติทั้งคือทางอหนาจของคัามอยคำว่าคัามอยมันร้อยแปดปัจจัยอย่างนั้นจะคึิกแปลไปตรงไหนไปได้อำนาของความอยากนั้ เ ม, มืสส่อจบแล้วอยากยากรูก็มีอยากเกี่ยวกับเรื่องกา ร, เ ร, การนเรื่องกองการตั้งหามังหาเป็นเาความทเยอยอยาเกี่ยวเรื่องวัตถกามกมตันหาอยากเกี่ยวกับเรื่องพเพราะว่าตั้หาอยากมีความอยา แล้วก็ไม่พอใจกับสิ่งที่มีเปลี่็นตามภาวะของมันแต่เราพยายามไปบังคับไปดึงไปขั้นไปบังคับอ่าไปกะไปเตืยนให้เป็นไปตามใจวังของเราแต่ไม่ได้เป็นไปตามใจหวังของเราแต่เราก็คิดไปตามันออกไปบางอย่างของเราเขาเรียกว่าวุ่นวายกันหาคือปฏิเสธสิ่งที่มันมีเป็ี่ยนตามภาวะของมันแล้วก็พยายามกะพยายามเตืยนให้เป็นไปตามหน้าของของจิตของเรา แต่กัดเทาไหรก็ผิดหวังเท่นั้นเกลเท่าไหร่ก็ผิดหวังเท่านั้นแม้เมื่อผิดหวามก็อาความทุกข์้นมาเมื่อผิดังก็เอาความทุกข์้นมาอันนี้เลยคือผิดสมของมันผิดสมของจิตเลยเพราะฉะนั้นเราทำสิ่งนี้ได้รับความสงบแล้วก็มาศึกษาเรื่องกายเกิดความที่เกิดความเถ้าเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเก็เปี่มันเ็นมันไม่เป็นไปตามที่เรากะ ไม่เกิดการพราะเราเี่ยงเกิดทรัทเกิดราคะเกิดโทรศัพทมีความรุ่มหลงเพราะเป็นกายเขาเกิดราคะเกิดความกำหนัดในตัวเรามีความรุ่มหลงเพาเป็นกายเขามีความกำหนัดเกิดราคะในกายเขาเกิดราคะเรามีความต้องการทกสิ่งอย่างตามมาความดีที่มีความทุยา แต่ ม, ม, มีอิมมัคมักควาเขารือไม่สมหวังเรก็โกรธมีคน ม, มาขัดขวางแล้วก็โกดแล้วก็เทียดที่เรียกว่าโทรศัโทรศัโทรศัพ ท, ท, ท์มีังเพื่อจะให้ทนลายได้แต่เราผัดมีความนันเทกันได้ทั้งหมดราไม่เป็นบ้านเป็นมองเป็นศึกเป็นประตูเป็นกองทัพทาให้รู้ ใช้ความมีความคิด้าวิธีการที่จชนะกั น, น, นดอยุกอย่างเราก็ดูดูไปรเรยคือิงที่เป็นอาวุทยึดกณอะไรขึ้นมาเพื่อที่จะบาดบ่ามักันอีมันไปจากอำนาจของความรุ่งของนื้เราต้องการจะทช้มีความสันที่สุดแต่เราไม่เค ย, ย้อมันอยู่ตรงนี้เรายยกา็แก้ปัญหายางผิวผเราแก้ปัญหากันดแก้ปัญหาการับ เราไม่ได้แก้ปัญหาที่ขั้นมูลฐานของใจแก้ปัญหาที่ขั้นรูปใจไม่ได้แก้ปัญหาที่ขั้นนามันเอาเป็นเห็นเฉพาะหน้าแต่ไม่รู้ใจเห็นเฉพาะตัวแต่ไม่รู้ใครมาพูกัเห็นหน้ากัอะไรกันได้มีความเข้าใจอะไรกันได้แต่ไม่รู้ใจก็จะได้สามารถพูดตามจริงบางอย่างได้ แต่ว่าใจอย่างจะไม่ไคิดอย่างนึงได้เพราะฉะนั้นคนทานจึงสามารถทำงานได้สองหน้าหน้านี่เรอกให้เหมือนกับชื่อสากลกันอีกหน้านี้ก็หาเรื่องมาตอยมาบิดมาเบี้ยวมันโยนตีมาทำร้ายเรื่องหนึนที่เรียกว่าตงทุง คุณสามารถทำมันได้ทั้งสองอย่าคนผา่านทางนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งส่ที่เจ้าของมีความนัมีความต้องการสี่ความเป็นไปของคนความเป็นไปของใจของคนของใจของสัตเพราะฉะนั้นกิจการที่เรามาศึกษารตรงนี้ ก, กิจการตรงปัญหาตรงเป้าหมายเพื่อจะมาแก้ความทุกขได้อย่างแท้ริงเพราะฉะนั้นเรา คจะเรื่ภูมิปาภาษาทกันให้มากมีความเชื่อมความย่ำสายในพร ะ, ระพุทธเจ้าหรก็ทําทำหรือว่สอนพระพุทธเจ้าไไพยใจเ่เราเป็นยังไงเราดูมาให้ได้รัรบความสงเมื่อตื่เราตื่อเมื่อตื่เราหมดไพระพุทธเจ้ากได้รากฏแสงสวนี้ตื่พขเราเกได้รัรบความสงบของเราเริ่มตื่ เราเป็นตัวตัวเด่นมีความสงบเป็นตัวตัวที่มีความตื่ความปฏัพุทโธคือพูดตื่นผู้เบกบาลเราเอาตัวสีแหลกให้เป็นพุทโธไปผู้ตื่นจะตื่นเปาคว่าบปัดานคือความสุันที่จะไม่แหย่ไม่กดไม่กดดันมีเระพุทธเจ้าอนนี้ หมายเอาคุณธรรของใจที่เราพึกฝนอบรนได้ที่แหละคือคุณพร่ย์นี้ใจนั่นคือคุณพระเจาอันนี้หมายคุณธรรมใหเป็นส่วนประวัติที่หมายใ้ของเราสว่วนงอกๆเราต้พิจารณาถึงค่าประวัติของพระองคีเป็นอย่างนั้นมีความดำดิ่งอย่างนั้นพิเศษออกกรอย่างนั้นทาความภคความเพียรอย่างนั้นได้ประสบผลสำเจอย่างนั้นคนทุกคนโท อากพัฒนาสงสันไปให่นั้นเราเสิดความเชื่อโดยคำารเป็นความแต่ละศึกษาความเป็นไปของพระพุทธเจ้าของพระธรรมประวัติของพระสง์พระอสงฆ์มัณฑนันขท่านโ้รธครูบาอาจารย์มัณงนันท่านตาความ้ือตาห์มจากนั้นจากนั้นนั้นทาให้เราได้ข้อปฏิบัติตามนั้น ทำให้เราได้แนวทางตามท่านเนี่ยจะเป็นได้เราเกิดความเรื่อยไปคือเราิดความเชื่อความเป็นไปเชื α, ่อความศรั hmm. ทธาเวราพยายามเข้ามามหาจุ่นี่แหละมหาจุลเขาเกิดที่มีการต่อสู้กับข้ออฏิบัติของเราเนี่เมื่อเราเราเห็นแช่อับยันที่อยากเช่อย่างทัดว่าร่างกายระับสะหว่างเป็นกายนี่ใช่สัตวไม่ใช่อุคคล กายและจัาากายมันเป็นอะไรก็คมันเป็นเะี่ย้วเป็นดินก็คือเป็นน้ำก็คืน้ามีดินธาตุดินธาตน้ำมีธาลงมีาตไฟก็คือมันเป็นไม่มีเราหรืมเร า, านี่ยนที่จะรียว่าทาลายทานายจากรกายทิฏฐิทานายความนึกความที่เห็นสาคัญมั่นหมายรับเห็นก า, นารณถ้าเราไม่ผ่านการพิจารณา ความให้ความคิดความแยกความแยความรู้ความเข้าใจยังจับจับอยู่ไม่ได้จับเข้าใจไม่ได้เมื่อเราเริ่มรับเห็นว่าเป็นสภาวะธรรมเป็นสภาวะของอินทของน้ำของลมของไฟมารอบกันอยู่ได้ด้วยเท่าบอกด้วยท่าเพื่ออะไรของมันมีเกิดความมีความรู้ความเข้าใจความยิน ก็ยึดเคยถืออย่างเต็แผ่ก็ลดหย่อนควนบาลงไปทคือเรียกว่าทํำมายความนึกว่าเป็นกายของเราเห็นว่าเป็นสิ่งเป็นก้อนเป็นแผ่นไม่รีอย่างหนึ่งชนิดซึ่งเราพึงพาใส่ครับประกอไปเลื่อยท่าดินทางน้ำท่าลมกลับไปการที่เราเรมองอย่างนี้นนเร า, า, เราก็เอาจิตของเรามองกายก็เป็นส่วนของกายจิตผู้อมองเห็นกายก็คือเป็นส่วนของจิต เห็นกายก็ว่าเป็นกายเหจิตก็เป็นจิมีความเจ็บภัพายมีความเกี่ยวข้องกันเรื่องากของกรรมอย่างนี้หรือที่ทำลายัดใจสิทธได้มีความรู้มีความเข้าใจว่ามีความเชื่ออย่ามีจริงใจลงไปโดยไม่มีใครสามารถจะมาตื้นตั้งลรือบูรณาได้ด้วยเหตุด้วยผที่เรารู้เองนั่นเองประสบเอง เหตุของมันก็คือดุพที่ความยึดความอยากความนยาของใจมันมันออกในหิตใจเราดูไปนะมันเกิดความรู้สึกว่าเป็นกายแก้ความรู้สึกได้แก้ความรู้สึกได้ว่าเป็นกายความรู้สึกว่าเป็นกายมันเป็นความรู้สึกที่หลอกนะมันเป็นความรู้สึกหลอกเกิดขึ้นเรื่อยมาของที่เด็เกิดขึ้นเรื่อามาของไตนา คือเราเห็นตั้เหุ ER, เห็นตั้งผลเราเห็นต้งเหตุเห็นตผู้ที่เข้าตรงนี้ความเป็นตัวดาบันเท่านั้นที่จะความเชื่อความเลื่อนสายอย่างปรับใจเมิลงไาไม่มีใสนะามรถอนความเส่ความล่ความเชื่ อ, ค ว, อความเชื่อได้ความปรับใจได้เนื่องจาก่ติดมาตรงนี้ก็ เ, เห็นเหตุตรงเห็นผลตรงนี้ ในการเกี่ยวข้องในการต่อก่อนมันกับเี่อตรงนี้ดีเห็นตัวตุงไทยมห็นจตเหตุต้นต่อที่จะให้เรามายมาเกาะมาเกี่ยวมาบวูวันกับการนี้เห็นเหตุต้องนีนไม่เห็นเหตต้องนก็ทราบแล้วเลาเหตุการณ์ที่เป็นคนมันมาจากเหตุที่มันเหตุเห ต, เหตุอันอ น, นั้นคือที่เรศนิกเกิดความรู้เกิดความเข้าใจที่มันนี้คือสัสมปนะัญะ ก็เกิดขึ้นจาที่เราไม่กระจายนี้ความเชื่อก็เกิดขึ้นจากการที่เราไม่เข้าใจอนี้เกิดความรักความรักความชอบก็เกิดมาจากการความสนใจความมีใก็เกิดขึ้นจากการให้เป็นไตามอำนาจใจเมื่อมันไม่เป็นไปตานี้ก็เกิดความรักก็เกิดความยั่งเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดอะไรสภาวบ เพราฉันั้นถ้าเราเริ่มเร่รู้เราเข้าใจราาตรงนี้เราก็วางความมีความเจ็ตรงนี้นะต้อวางความีความพิสูจนี้ได้ไม่ลมุ่มหลงไม่ลมุ่มหลงโอกาสโอกาสที่เราจะเชื่อปรับใจมันกับหลักของเสียของผลตรงนี้มันก็เป็นศิลปของเราไม่มี ใ, ใครสามารถจะมา มามาบเรีนมาบอกเราได้ว่าอันนั้นเป็นเหตุของอันนี้อันนี้เป็นเหตุของอ น, นั้นโดยที่เราเชื่อกามเขาว่าการที่เราเชื่อที่เราเห็นเห็นในตัวผู้ตัวโทรศเมื่อเราเริ่มโตเริ่มเริ่มกระจายโทรศัพมก็เบาลง มบาบางไปเพราะอะไรเมื่อวเราสำคัญผิดเราก็ใส่ผิแล้วเราก็เตืนให้ผิดนั้นเป็นประกาใจฝั น, น, นของเรานั่นมวนี้เป็นประกรจฝัแล้วก็ไม่ดีเราก็ไม่พอใจเกิดความที่เรียกว่าติดค่าเกิดความขัดข้องภในหัวใจขึ้นมาเมื่อเราเศร้ารสาเหตุส้มทอของมันมันก็เรตอ กรำมุนเข้ามา้างในหาหลของหัวของผลภายในใจของเราการปฏิบัติทีเราก็พอพอได้ช่องได้ทางพอที่จะเดินไปไดสะดวกอยู่อย่งมีทางยู่ย่งมีงานทอยู่ยงมีความเชื่อมีความเรื่องใส่แล้ก็มีความศรัทธาไม่ใช่ยอย่างมื่อืดคลึกคึก ไม่มองเห็นเท่าเดิมทางเลยอยู่ยังว้าเหวนะอยู่ยังมีความปกปุมภายในวอกอกไม่ติดัใจน้ำนมแรงแม้หาความสุขหาความสงบหาความปื้มหาความติดหาความยินดีหาความพอใจในเทศเขาปฏิบัติอม่ได้าอยู่ไม่มีความสุขอยู่ยังมีความพอใจอยู่ยังมีความมั่นใจ อยู่ยังยิงนมีพอใจกับเพศกับภาวะที่ตัวมีอยู่จะอยูอ่กับการกับเวลากับข้อปฏิบัติที่เรายัางทําอยู่ให้มีอยู่ก็เป็ น, น, นมีความมีมีความพอใจโอกาสที่จะทำให้เรามีความก้าวหน้าขึ้ต่อไปขื้นกว่ต่อไปก็อยู่กที่จะถึงไปได้ยัง คิ้วไปเผยมาก็ดูศึกษาให้มาแล้วกันที่เกิดความเชื่อเกิดความมั่นใสอีจับหลักที่กับผลให้ได้ดูไม่เห็นกองผุกองผุร่างกายไ่องเราดูวเห็นมันมมันเป็นกองผุมนเป็นกองผกพวกอะไร กินทุกตืทุกเดินทุกนั่งทุกนอนทุกภาระสารพัดที่มาเกี่ยวข้องกับเราอองใจดูดูใยเงาขอดูว่าเงาของของกลุ่ดูว่าเงาของของโครของมันที่จะให้เกิดความเบืองเกิดความน่าและที่สำคัญที่สุดที่เป็นหลักที่หลอกลวงได้ที่สุดก็คือ ทำจิตให้ได้รั บ, รรบวมมความ ส, าบสางบ เ, เมื่อได้รับความสงบแล้วมันก็จะมองหมาสุดเพรามีสัจานุปรบูสัจานึนันก็ร่งรุ่นกายนั่นแหลมันใ่างกายของเมีเ่อจิตเมื่มิตแม้โอกาสที่รับจามมองยากโกาที่รับจามมองง่ายจะให้เกิดความเชื่อเกิดความเลื่อมใสกัจจอย่จริงจกันกยากมันไ ม, ม่มีมสัจจคติสจ ในขณะเดียวกันเจริญก็ตามมันพักมาทวงมาทุกมาตีมาชักมาล่ามาเป็นก็ไปตามมันหมดกาที่เราจะหลงเขินไปตรงนั้นเขนเลยมันเคินไปงามากมันสวมรอดแป๊กเดียงเราตามมันไันตามมันรู้มั้สอนสอนเมื่อนาตรงไนเรารู้เราตามันเรฉนั้นเราต้องดู อย่างเรามาระวังตั ưa, a, ưa, a, ì, kh kh th ้งอกตั้งใจสติในเรืความจำใจยากดูเกับไม่้องกับตัวาความรู้สึกอยู่กับแม่ตรอบคัวตลอดกคุับการปฏิบัติคว้าวันต้อวันถ้าเราไม่อยู่กับท่าทีของการปรนจาหรือกายภาวนา โอกาสที่มันจะเข้ามาชวมรอยน้แพร่ทั้งหมดโอกาสที่เป็นร้องตังวไม่มีเมันสว ง, รงวเรามาเลยเยีะมพยายามใช้สติใช้ปัญญาดูมาให้เห็น ใ, ในกติกาทาอะไรก็เอาสิบ น, น, นั้นเป็นเป็นเป็นอารมณ์เรามีาสละที่จะทําทําน่น ท, ทํพาให้รักผ้าเย็ผ้าจัดผ้าปัดกวาด แช่ถูลราเอาสิ่งมันนั้นเป็นอารเอาเป็นตัวฝึกเอาเป็นเครื่องฝึกจิตเอาการเอางานนั้นเป็นเครื่องฝึกจิตทำอะไรก็ให้จิตอยู่กับอันนั้นอันเดีไม่ใช่ว่ามือก็ทาไปใจก็เลื่อนคึ้ไปยังเลือเล่อนไยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปขอ้นไรขึ้นไปขึ้าไปข้นไปข้นีความคิดขออึ้นไปขง้นไปขมันมาได้นไปขึ้นไปขึไปคิ้ลไ เสีใจกันั้นเสีใจกับนั้นคิดไปคิดมาเลื่อนใจกับนั้นเลืใจกับนี้คไปคิดมากำหนัด ก, กับทีนั้นกาหนัด ก, กับทีนี้เคล่อนกับทีนั้นเคลือนกับทีนี้มีอยู่แค่นี้แหละว่างเวียนอยู่แค่นี้แหละอย่าลืว่าความทุกข์ที่รุนแรงที่สุดก็คือใจคาดหมายเด า, าให้เป็นตามใจฝันสำเรัจขิดหวังมีความทุกข์เรื่อยขึ้นมา คิดอย่างนั้นฆ่าเองเพราะผิดฆ่าผิดหมายผิดเดาเนื่องจากว่ามันไม่ไม่เป็นไปนตามใจเบารับเราได้รับความทุกข์นี่แหละอันนี้แหละจะเป็นจุดจังเลยอันนี้เป็นความทุกข์ที่ปฏิบัติที่เราถมาค่ามาหมายกันทิดกายกายมันก็เป็นไปนาาราจภาวะของมันเป็นไประจำปก ต, ติของมันเป็นไปตามำคัดจิตของมัน คติของมันก็คือกระแนนี้ใจผู้คนนักษารนี่แหะคติของมันนะมันมันเกินอยู่ได้เหตุได้ถ่ัยใจของมันเหตุปัจจัยส่วนหนึ่งว่าเราใส่น้ํใส่ลงใส่ไฟเข้าไปคืออาหารเราดูสิเราใสไปให้เต็มแกล้มันก็อยู่ขึ้นมาอยู่ขึ้นมาแล้วก็โวยมันก็พีขึ้นมาเนื่องจากว่าธาตุภายนอก มันเป็นอาหารเป็นปัจจัยของธาตุ์เพราะเราใส่ไปมันก็เป็นอาหารก็อ้วนขึ้นมาอ้วนขึ้นมาขึ้นเป็นมีกลังังยขึ้นมาพอเราไม่ใส่มันมันก็แคกลงนะพอเราไม่ใส่มันมันก็แฝกลงกลังกำลังน้อยหลงไปเนื้อหนังก็เหี่ยวย่นลงไปกาลังรัาก็่อนลงไปเนื้อผก เราไม่เคอยเตียงค่อยตึงค่อยแล้วก็เหียวลงไปเฉาลงไปรวมไปถึผิวผันอะไรก็เหียวลงไปเฉาลงไปซีลงไปนิดคือเหตุปัจจัยของมันมาจางไหนมันก็มาจากอาหารคือ่าตภายนอกเลยเรารู้แค่นี้เราก other, other, other, other, oh ็เห็นเหตุเห็นปัจจัยของมันเราเห็นเหตุเห็ปัจจัยของมันทำให้เราไม่หลงกับมันหลงในไม้ฝามอะไรกินแต่ละเอื้อม นำสัมไรนั่งกายอ้วนดีลอยหลงเพลินไปกับไกลหลงเพลินไปกับความคลึกขนมนของกายเพลินหลงเพลินไปกับผิวผันผิวผันความเสี่ยงตึงความอะไรกของร่างกายนะฮะโอกาสที่มันจะทําให้เราเพลินนี้มากมายนี่คือคือรุ่มหลงอยู่กับมันในความรุ่มหลง แต่ถ้าอยู่กับมัด้วยการดูเห็นเหตุเห็นปัจจัยว่ามันมันจับมันค่อยยุบลงแล้วในที่สุดมันก็จับไม่หลงไม่หลบเพราะว่าเราเห็นสัจจคุณของมันถึงความเป็นจริงของมันเห็นความเป็นอยู่ของม่นมีอยู่นี้เป็นอยู่อย่างนี้มันโชกอปลอกอย่างนี้มันเป็นภาระอยู่อย่างนี้มันเป็นภาระอะไรก็ดู้เอาเลยคิดดื่มหลับนอนอุจจาระปัสสาวะูเด้อ โสโครปีกูนโสโครเราดูมันมีสาพอย่างนี้เมือไครไหลย้อยน้ำหูน้ำตาน้ำหูกน้ำหูกน้ำขวดาดูละดูอะรพี่ถ้าเราไม่ดูนี่เพลิน ก, กาหนั่ เหม่อนโ่รงขนาดไหนเรายังมีความขนาหนึ่งมีความกำนังที่สิบมองเห็นส่อเห็นอสุภสหน่าเฟ้ยไม่ได้ยังมีความกำนังมันมีความกำนังที่สิบเราดูสิ่งานั้นไปย้อไปที่สิบดูสิ่งแล้วล ก, ก, ล ก, ก, ลก็มองไปที่สิ่ดล่านั้นดูิแล้วก็มองไปที่สิ่เราทำได้แค่นี้มันเป็นการกะตุกเป็นการยักยอ พระเชษยาามมองกายให้ให้เห็นเหตุเหตุปัจจัยของมันถ้าไม่เห็นเหตุในปัจจัยของมันมันหลงมองมองมันอยู่กับมันด้ความนุ่มนวลหลงเพลิ่นไปกับมันหลงเทเินประับกายหลงเพลินไปเราคิดคิดแล้วมันพาหลงกิเลนมันเป็นตัวพาให้เราหลงเคลิ่นไปกับมันยามรู้านข้างในงานภายใน ไเดี๋ยวพายูุมาแล้วกลับไปไหน